ตติยะปัญนาตโยคะเขมิวัต์หมดว่าด้วยธรรมะที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะบรรยายที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะแก่ภิกษุทั้งหลายธรรมะบรรยายหมายถึงเหตุแห่งธรรมะ ธรรมบัญญาที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจักโยคะเป็นอย่างไรคือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำนัดมีอยู่ตถาคตละรูปเหล่านั้นได้แล้วตัดรากออนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากออนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตได้บอกความเพียรที่ควรประกอบคือสมถะและวิปัสสนาหรืออริยสัจสี่นั้นเพื่อละรูปเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าตถาคตเป็นผู้มีความเกษมจากโยคและโดยในยะเดียวกันกันกบเรื่องของรูป คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะและธรมมารมณ์เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นผธตภะความสัมผัสถูกต้องทางกายที่พึงรู้แจ้งทางกายธรรมารมณ์อารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกที่พึงรู้แจ้งทางใจ ที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้ผาใจให้กำนัดมีอยู่ตถาคตละสิ่งทั้งปวงนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วตถาคตได้บอกความเพียรที่ควรประกอบคือสมถะและวิปัสสนาหรืออริยสัจสี่นั้น เพื่อละสิ่งทั้งปวงนั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าตถาคตเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะภิกษุทั้งหลายธรรมบัญญายที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะเป็นอย่างนี้แลอุปาทายสูตรว่าด้วยสุขทุกข อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเมื่อมีจักขูเพราะอาศัยจักขูสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นเมื่อมีโสตะคือหูเมื่อมีคานะคือจมูกเมื่อมีชิวหาคือลิ้นเมื่อมีกายเมื่อมีมโนคือใจสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้น เพราะอาศัยสิ่งนั้นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจากขูเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีความปราผันเป็นธรรมดาอริยสาวกพู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจากขูเป็นต้นนั้นเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น รู้ชาติว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเพราะอาศัยจากขและรูปจากขิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะทั้งสามประการ น, นี้เป็นผัสสะ เพราะผัสสะคือการถูกต้องสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เป็นต้นนั้นจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาคือความทยานอยากเช่นอยากได้ไม่อยากได้จึงเกิดความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แลและโดยนัยเดียวกันเพราะอาศัยหูและเสียง โสตวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นคานวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยลิ้นและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยกายและผลถภะกายวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ธรรมวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมทั้งสามประการ น, นี้เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แลความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขู่และรูปจักขู่วิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามประการ น, นี้คือจักขู่รูป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 ชาติคือความเกิดจึงดับเพราะชาติดับชร า, ามรณโะโสกปริเทวะทุกโทมณัและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้และโดยนัยะเดียวกันโสตคานะสิวหากายและมโนอายตนะภายใน อาศัยอายตนะภายนอกวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามประการ น, นั้นเป็นผัสสะจึงเกิดเวทนาเกิดตัณหาเพราะตัณหานั่นแหละดับไม่เหลือด้วยวิราคาอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบจึงดับชาติจึงดับชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัส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 และอุปายาจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้และโดยในยะเดียวกันเพราะอาศัยหูและเสียงจมูกและกลิ่นลิ้นและรสกายและผลิตภัใจและธรรมารม์วิญญาณจึงเกิดความประจบกันแห่งอายตนะภายนอกและภายในและวิญญาณที่เกิดนั้นเป็นผัสสะ เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เป็นต้นจึงเกิดเพราะเวทนาตันหาจึงเกิดเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดพบจึงเกิดชาติจึงเกิดชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมานัตและอุปาญาตจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้ความดับแห่งโลกเป็นอย่างไร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 ชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ว่าด้วยความถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขาภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไร เพราะยึดมั good, 是是่นอะไรเพราะถือมั่นอะไรความถือตัวคือมานะความถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราด้อยกว่าเขาจึงมีคือเมื่อมีจักขูเพราะยึดมั่นจักขูเพราะถือมั่นจักขูความถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราด้อยกว่าเขาจึงมี และโดยในยะเดียวกันเมื่อมีโสตคือหูมีคานะคือจมูกมีชิวหาคือลิ้นมีกายเมื่อมีมโนเพราะยึดมั่นสิ่งทั้งปวงนั้นมานะคือความถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราด้อยกว่าเขาจึงมีเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร จกขู่เป็นต้นนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกมีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่หยุดมั่นสิ่งนั้นความถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราด้อยกว่าเขาจะพึงมีหรือไม่ทูลตอบว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่า ภิกษุทั้งหลายอริยส า, าวกพูดได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุเป็นต้นนั้นเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นว่าด้วยธรรมะที่เกือกกกรรเก้อกูลแก่สังโยชนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชนเป็นอย่างไร และสังโยชน์เป็นอย่างไรคือจักขุชื่อว่าธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ชันธราคะในจักขุนั้นชื่อว่าสังโยชน์และโดยในยะเดียวกันโสตะขานะชิวหากายละมโนชื่อว่าธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ชันธราคะในสิ่งทั้งปวงนั้น ชื่อว่าสังโยน์ว่าด้วยธรรมะที่เกื้อกูลแก่อุปาทานธรรมะที่เกื้อกูลแก่อุปาทานเป็นอย่างไรและอุปาทานเป็นอย่างไรคือจักขุชื่อว่าธรรมะที่เกื้อกูลแก่อุปาทานฉันทราคะในจักขุนั้นชื่อว่าอุปาทาน โสตคานะชิวหากายและมโนชื่อว่าธรรมะที่เกื้อกูลแกอุปาทานชันธราคาในสิ่งทั้งปวงนั้นชื่อว่าอุปาทานว่าด้วยการกำหนดรู้อายตนะภายในภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่ อ, อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัด ไม่ละอายตนะภายในคือจักขูกตาโสตะหูขานะจมูกชิวหาลิ้นกายและมโนโคือใจเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกส่วนบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกาหนดรู้คลายกําหนัดละจักขูเป็นต้นนั้นได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุก ว่าด้วยการกำหนดรู้อายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมารมณ์บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่กลายกำหนัดไม่ละรู้เป็นต้นนั้นเป็นผู้ไม่กวรเพื่อความสิ้นทุกส่วนบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดละรู้เป็นต้นนั้นได้ เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ว่าด้วยการแอบฟังธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระตำหนักอิดในหมู่บ้านยาติกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้ตรัสธรรมบรรยายนี้ว่าเพราะอาศัยจักขู่แล้วรูปจักขูวิญญาณจึงเกิด เพราะอาศัยโสตะและสัะต t h โสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและคันธะคานวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยชิวหาและระัะชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยกายและผุทธ ภ, ภะกายวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิด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 โสกัปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบฟังพระผู้มีพระภาคอยู่พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นได้ตรัสถามภิกษุนั้นว่าเธอได้ฟังธรรมบัญญายนี้หรือไม่ปราบทูลว่าได้ฟัง รัว่าเธอจงศึกษาธรรมบรรยายนี้เธอจงเล่าเรียนธรรมบรรยายนี้เธอจงทรงจำธรรมบรรยายนี้ไว้เถิดเพราะว่าธรรมบรรยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งปรมาจันทร์หมายเหตุผู้อ่านฝากข้อสังเกตไว้นะครับว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง ตรัสรู้แล้วคงไม่มีประโยชน์อะไรที่ท่านจะทรงกล่าวออกมาเลยลอยนะครับแต่น่าจะเพราะทรงรู้ด้วยพระญาณว่ามีภิกษุที่สงวนแก่การฟังธรรมนั้นอยู่แถวนั้นและจะได้ยินที่พระองค์ตรัสจึงทรงเมตตาโปรดสรงเคราะห์ภิกษุนั้นการจะเข้าใจคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ต้องมีศรัทธาและมีความเห็นจริง ถึงพุทธปัญญาถึงพระญาณถึงอภิญญาวิชาสามที่พระผู้มีพระภาคและเหล่าพระอรหันต์ได้สำเร็จซึ่งมีสัมผัสเหนือมนุษย์ธรรมดาด้วยนะครับถ้าเข้าใจก็จะยิ่งเข้าใจในยะในคำสอนในทางพระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ